ก็เราตอนมีแต่ผู้หญิงเนะตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> เข้าบังคับมาป่ะหรือสมัครมานะแปกหน้าตลาดหลักทรัพย์สนใจธรรมะทีนีเป็นแค่นหน้า ง, งานที่เราทำนะมันงานที่ลำบากมากเลยแต่เราเป็นคนดูแลตลาดป่ะหรือเป็นบล็อกเกอร์นะ อ, อดูแลเขายัางช่วยหน่อยคนที่นั่งสารที่สุดคือคนที่ไปเล่นนะ <c oughs> สนใจธรรมะไว้ก็ดีแล้วนะเราเกิดมาในแผ่นดินซึ่งศาสนาพุทธยังดำรงอยู่ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราจะมีชีวิตยังมีความสุขได้คนในโลกหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หรอก ใจมันมีแต่ความเร่าร้อนหาความสบายไม่ได้เดี๋ยวอยากโ น, น่นเดี๋ยวอยากนี้ไปเรื่อยใจก็ดิ้นไปเรื่อยเราปรารถนาความสุขกันทุกคนแต่หาไม่เจออย่างพยายามไปเล่าเรียนนะเรียนหนังสือมีปริญญาอะไรต่ออะไรเยอะแยะหวังว่าความรู้ดีๆจะมีความสุขมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ในโลกเราหวังว่ามีความรู้มากๆจะมีความสุขมีหน้าที่การงานดีๆจะมีความสุขไม่เห็นมันมีความสุขเลยคนใหญ่คนโตนะวันนี้คนใหญ่คนโตตกกระป๋องไปเยอะเลยวันนี้หนึ่งตุลานะบางคนอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนก็จะตายแล้วเคยใหญ่แล้วเพาเสียอนาจเฉาตายนะพวก น, นี้มีเยอะเชี นึกว่าเรียนมากๆจะมีความสุขมีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีเงินมากๆจะมีความสุขคนมีเงินมากๆก็ไม่เห็นันจะสุขเท่าไหร่เลยแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยมันก็ลําบากเหมือนกันบางคนก็หวังว่ามีแฟนดีๆมีสามีดีๆมีภรรยาดีๆจะมีความสุขความสุขไปอิงอาศัยคนอื่น ดีมันจะดีตลอดการหรือเปล่ า, าก็ไม่แน่ความสุขของเราเพึ่งพาคนอื่นเึ็ความสุขที่เป็นธาตุเขาเรควหวังมีลูกจะมีความสุขนะอยากมีลูกมีลูกขึ้นมาตอนท้องก็กลัวออกมาจะปัญญาอ่อนไหมจะมีแขนมีขาไหมออกมาโตขึ้นมาจะฉลาดหรือเปล่า พอท้องก็ต้องไปหาโรงเรียนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องยังต้องอยู่ไหมตั้งท้องก็หาโรงเรียนเนะี้ยยังทําอีกเหรอเดี๋ยวนี้เด็กน้อยลงนะมันทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมันทุกข์นิ้นรนแทบตายเลยว่าถ้ามีอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะมีความสุขพอได้มีแล้วพอได้เป็นแล้วก็ไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยนสุขมันสุขนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยนะเดี๋ยมก็ทุกข์อีก นี่พวกเราอย่างบุญเรามีทางออกเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขมไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวนะมีประโยชน์ด้วยประโยชน์ในปัจจุบันก็มีประโยชน์ในอนาคตก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยคือมรรคผลนิพพานก็มีมีประโยชน์ทุกระดับเลยอย่างถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะ เราได้รับประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงนะเคยลําบากยากจนนะถ้ามีธรรมะจริงก็พออยู่พอกินไม่ลําบากมากเพราเราจะรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราทุกวันนี้ทำมาหากินไม่ค่อ ย, อยพอเพราะความอยากของเรามันเยอะเกินเกินจําเป็นอย่างพระนะมีจีวร อ, อยู่ชุดหนึ่งนะใช้ได้หลายปีนะ ใช้ได้ทั้งหลายปีจริงๆสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงๆมีไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าความต้องการที่เกิดจากกิเลสนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดเราก็เหนื่อยกว่าความเป็นจริงเห็นคนอื่นเขามีอะไรก็ต้องมีเขาบ้างมีไอพอมีรุ่นนี้แล้วต้องมีอีกรุ่นหนึ่งมีโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้มีอะไรบีบีอะไรเป็นไงก็ไม่รู้ต้องมีโน้ตมีนี่นะ มีรถยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้ต้องยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยมีกระเป๋าต้องกระเป๋าอะไรหลุยวิตตองจะเล่นตุ๊ ก, กตาก็ต้องตุ๊กตาบลายเออจะทำอะไรนะมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนอ่ะมันเกินจำเป็นเลยเรานั่งรถยนต์นะาซื้อรถมานั่งกันนึงทุกวันนี้เราแทบจะไม่นั่งด้วยด้วยก้นแล้วนั่งด้วยหน้า นั่งรถยี่ห้อนี้แล้วมันภูมิใจใช้อย่างนี้แล้วภูมิใจมันทำให้ชีวิตเราน่ะลำบากหาเงินแทบตายเลยแล้วไม่ค่อยพอใช้เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเลยกลายเป็นแมงเม่าแบงก์มันก็รีบออกบัตรเครดิตมาให้หาแมงเมาหาเหยื่อเราก็เป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเลยชีวิตนันเหน็ดเหนื่อยมากเลย ทำงานแทบตายเพื่อจะใช้หนี้ส่วนใหญ่ยุคนี้ทำงานเพื่อจะใช้หนี้เพราบริโภคเกินจำเป็ น, นถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจนะเรารู้จักชีวิตที่มักน้อยสันโดษชีวิตที่ไม่คลุกคลีกับโลกมากนักอยู่กับโลกอย่างฉลาดอยู่กับโลกอย่างรู้ทันมันอยู่กับโลกอย่างไม่เป็นทาสมันค่าใช้ใจ่ายจริงๆแต่ละวันแต่ะวันไม่มากเท่าไหร่ อย่างข้าวที่เรากินใช่ไหมวันหนึ่งยรา ก, กินสักกี่จานพวกเราคิดหรือว่าเรากินอาหารเยอะจริงๆไม่เยอะนะลองมากินอาหารอยู่ในบาทเนี่ยเ ร, รู้เลยวันหนึ่งมีปัญญากินไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆเราใช้ไม่เท่าไหร่นะทรัพยากรที่ใช้ตามความจำเป็นจริงๆใช้ไม่มากนะถ้าเราใช้ไม่มากมันก็เหลือนะคนอื่นเขาได้ใช้บ้างนี่บริโภคเกินจาเป็นหา ย, ยะนะกัน เรามีธรรมะล้วก็รู้จักว่าแค่ไหนพอดีมีความมักน้อยมีความสันโดษสันโดษไม่ได้ปรอยขี้เกียจสันโดษของพุธไม่ได้ปรอยขี้เกียจนะสันโดษของพูดหมายถึงทําทํางานให้เต็มที่นะทําให้สุดฝีมือเลยส่วนได้ผลเท่าไหร่ยินดีพอใจในผลที่ได้รับพอใจในผลนะไม่ใช่พอใจในเหตุเหตุต้องทําให้เต็มที่เลยให้สุดฝีมือเลย ส่วสุดฝีมือแล้วมันได้แค่นี้แหละก็พอใจลนะะถ้าไม่พอใจก็ทุกข์สิถ้าเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้หวังมากกว่านี้ก็ทุกข์ละนี่ถ้าใจเรามีธรรมะนะเราก็ไม่ต้องดิ้นรนมากเกินไปไม่เหนื่อยมากนะนี่มีประโยชน์ในปัจจุบันมีประโยชน์ในอนาคตนะเรายิ่งภาวนาชีวิตจิตใจเรายิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่มีเป็นหมื่ น, นชีวิตจิตใจนี่เปลี่ยนแปลงนับจํานวนไม่ถูกละนับประเมินไม่ออกแล้วว่าเท่าไหร่นะมันไปทั่วโลกแล้วที่ยังไม่ได้ข่าวว่าเรียนธรรมะของหลวงพ่อนะมีเอธิโอเปียนี่ยังไม่ได้ยินมันเป็นเอธตายเกือบหมดล ะ, ะที่อื่นที่อื่นก็ได้ยินว่าก็เรียนกัน บางคนฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังดาวโหลดจากอินเทอร์เน็ตอนะ่ะพอภาวนาหัดดูจิต ด, ดูใจได้นิดๆหน่อยๆไปเปิดสอนฝรั่งก็มีนะเป็นสอนถูกสอนผิดก็ไม่รู้นะ <c oughs> ชีวิตของคนซึ่งภาวนานะชีวิตมันโปร่งมันโล่งมันเบามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆพวกเราไม่ค่อยคุนครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนที่คุณจะเห็นเ รูบอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะอยู่ไปจนแก่จนเท่านะมีความสุขแต่และองค์นะดูสดใสสดชื่นนะสังขารร่างกายก็แก่เท่าไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่จิตใจท่านดูมีความสุขมากเนะลยหลวงปู่เทศเนี่ยดูมีความสุขหนะลวงปู่สิมมีความสุขนะยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสหลวงปู่เหรียนก็ ง, งดงามมีความสุขอาจารย์องค์สุดท้ายของหลวงพ่อคือหลวงปู่สุวัตองค์นี้มีความสุขมาก นั่งอยู่เฉยๆก็บอกว่าสุขแท้นาะสุขแท้เนาะเออท่านสุขจริงๆนะท่านเป็นอำมาตย์นะนั่งบนรถเข็นนะแม้ชีวิตของท่านนะภาวนาไปชีวิตท่านดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตมีความสุขมีความอบอุ่นคนแก่คนเฒ่าในโลกตอนนี้ไม่มีความอบอุ่นหรอกมีแต่ความว้าเวเบะลูกหลานไม่อยู่กับบ้านแล้วลูกหลานหายไปหมดบ้านเลยเหลือคนแก่เฝ้าบ้านนะอยู่กับหมาอยู่กับแมวไป ชีวิตในอนาคตนะดูแย่ลงแย่ลงคนที่มีธรรมะนะอยู่ได้อยู่ยังมีความสุขเพราะอยู่โดยไม่ต้องพึ่งใครใจของเราไม่ได้เป็นทาสคนอื่นนใจของเรามีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองมีความสุขความสุขในอนาคตเนะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นยิ่งพัฒนาไปตามระดับของจิตใจจิตใจยิ่งดีงามขึ้นความสุขก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้น ยังมหัดเจริญสตินะพอมีสติขึ้นมันก็มีความสุขละพอจิตตั้งมั่นมีสมาธิก็มีความสุขนะจิตเกิดปัญญาก็มีความสุขจิตเกิดวิมุติก็มีความสุขมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขที่สุดเลยประโยชน์อันยิ่งนะอันที่สามประโยชน์จากพวกเราที่เป็นชาวพุทธได้ศึกษาธรรมะไม่ใช่ประโยชน์แค่ปัจจุบันไม่ใช่ประโยชน์แค่อนาคตจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง คือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานนิพพานมีจร네ิงๆนิพพานไม่ใช <t> ่ย <t> ูโทเปียไม่ใช <t> ่สภาวะอุดมคติแต <t> ่เป <t> ็นสภาวะที่มีอยู่จริงนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากกิเลสนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความมีตัวมีตนนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความทุกข์แต่นิพพานไม่ได้แปลว่าว่างเปล่า มันว่างจากกิเลสมันว่างจากความปรุงแต่งมันว่างจากตัวตนมันว่างจากทุกข์ไม่ใช่ว่างเปล่านะนิพพานมีความสุขนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลานิพพานไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆไม่ใช่สิ่งที่จะดับไปได้นิพพานมีอยู่ตลอดเวลานิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆพวกเราชอบวาดภาพนะอยากปฏิบัติธรรมแลแต่ว่านิพพานอยู่ไกล ต้องภาวานาอีกหลายชาติชาติใดชาติหนึ่งคงจะไปเจอเข้าบางทีก็เที่ยวสแสวงหานิพพานนะนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่วัดโน้นนิพพานอยู่ที่วัดนี้นิพพานอยู่สวนสันติธรรมถ้าไม่มาแล้วไม่ได้นิพพานนี่โง่สุดๆเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาเรานี่เองแต่ใจของเรานั่นแหละไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพานสงบจากกิเลสนะ เมื่อไรจิตใจเราพ้นจากกิเลสเราก็เห็นนิพพานแต่จิตใจเราเต็มไปด้วยกิเลสมาหัดภาวนาเราจะรู้เลยว่ากิเลสของเรามากกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่าเลยกิเลสเกิดทั้งวันกิเลสเยอะแยะเลยยุบยิบยุบยิบนิพพานพ้นจากความปรุงแต่งสังเกตไหมใจของเราปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์ใจของเราปรุงตลอดเวลา ใจที่ยังปรุงอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานใจที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานนะนิพพานว่างจากอะไรว่างจากความเป็นตัวเป็นตนของเรามีไหมตัวตนเรายังยึดถือในกายยึดถือในใจอยู่ก็ไม่เห็นนิพพาลนะรู้สึกไหมกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง <Ouch. S 1> เราคนนี้เป็นคนเดิมนะเราคนนี้เดี๋ยวนี้ก็เราคนนี้ตอนเด็กๆก็เราคนเดิมเราคิดว่ามันมีเราอยู่จริงๆ ถ้าเมื่อไหร่ภาวนาจนสติปัญญาแก่รอบเนะเห็นมันไม่มีเรานะก็จะเห็นนิพพานไม่ยึดถือในรูปในนามเมื่อไหร่ก็จะเห็นนิพพานยึดถือในรูปในนามในกายในใจอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานเห็นอะไรเห็นรูปนามเห็นสมมติบัญญัติเห็นอยู่เท่านั้นเองนิพพานว่างจากทุกนะพวกเรามีทุกไหมเรายัางทุกอยู่นะทุกอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ก็ทุกนะ ต้องเปลี่ยนอธิยาบทเรื่อยๆ ร, รู้สึกไหมจิตใจของเราล่ะทุกเมื่อทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีความดิ้นรนเกิดขึ้นใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาทุกครั้งไปนิพพานมีอยู่ตาหน้าตาตาแต่เราไม่เห็นเพราะจิตใจของเราไม่มีคุณภาพจิตใจเรามีกิเลสจิตใจเรามีความดิ้นรนปรุงแตง่งจิตใจเรามีความยึดถือในรูปในนามในกายในใจว่าเป็นตัวเป็นตน จิตใจเรายังถูกความทุกข์ครอบงําอยู่ถ้าเมื่อไหร่เราขาจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจได้เราก็จะเห็นนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อบวชเมื่อปีสี่สีนะพอออกพรรษาเนี่ยไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตนี่เป็นครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายของหลวงพ่อนะเรียกว่าองค์สุดท้ายหลงังจากนั้นไม่ได้ไปเรียนต่อละนะ ไปหาหลวงปูส่สวั์นะเล่าให้ท่านฟังบอกตอนนั้นท่านไม่ค่อยรู้เรื่องแะ้ะหมอให้ยาไปท่านจะเบลอๆ อ, อยู่แทบทั้งวันนะพระอุปถากรนะจับท่านใส่รถเข็นออกมาเข็นออกมาเราก็เข้าไปกราบนะท่านก็นั่งเงี้ยนๆหน่อนะหลับตาเบลอๆเขาไปกราบท่านหลวงปู่ครับหลวงปู่สอนให้ผมดูจิตท่านท่านอืม ท่านลืมตาขึ้นมาฉับพลันเลยนะกลับมารู้สึกอยู่เลยผมวางจิตลงไปนะท่านฮะนี่ท่านอย่างนี้เลยนะคือคักขึ้นมาแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาอีกอถอยกลับไปพิงถอยกลับไปพิงรถใหม่นะเออไปเอามันทําไมเอาทําไมไม่มีอะไรหรอกมีเท่านั้นแหละะ ท่านสอนเลยนะพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันเนี่ยเห็นสิ่งเดียวกันเห็นอะไรเห็นสิ่งเดียวกันเห็นนิพพานพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันเห็นสิ่งเดียวกันเลยแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกมาภาวนาต่อนะถึงรู้ว่ามันอันเดียวกันหมดเลยเห็นนิพพานด้วยกันนั้ะแต่ความรู้ความเข้าใจนี่ยไม่เท่ากัน รบาอาจารย์บางองค์ท่านเคยเทียบนะรู้สึกเจอเจ้าคุณหนอท่านบอกพระโสดาเนี่ยเห็นนิพพานนะเหมือนฟ้าแลบแวบบเดียวดับไปล้วยังจำไม่ทันถนัดเลยว่าอะไรเป็นอะไรพระสกทาขาเนี่ยเห็นนิพพานเหมือนคนที่เห็นอะไรต่ออะไรในคืนเดือนมืดแต่มีดาวนะเนี่ยวพวกที่ชอบกบุริทางช้างเผือกอะไรอย่างเงี้ยนะ มันมืดนะแต่มันไม่มืดจริงมันก็ยังมีแสงนิดหน่อยพอมองเห็นอะไรบ้างนะเห็นได้นานขึ้นกว่าฟ้าแลบใช่ไหมก็ไม่ชัดอยู่นั่นและท่านบอกพระอนาคานะเห็นนิพพานเนี่ยเหมือนเห็นสิ่งต่างๆกลางแสงจันนี่ชัดขึ้นละส่วนพระอรหันต์เนี่ยเห็นนิพพานเหมือนอยู่กลางวันเนี่ยกลางแสงแดดเห็นชัดเห็นได้ตลอดเวลา น, ะนี่เท่วคุณนอท่านอธิบาย น่าฟังมากหนังสือเสร็จไหมเสร็จเมื่อไรล่ะพรุ่งนี้เหรอ อ, อโมทนานะวีไลคุบพ่อจะพิมพ์เองนะเห็นหนังสือท่านดีจริงๆหนังสือของเจ้าคุณนอนะท่านเป็นพระกรรมฐานแท้ๆเลยภาวนาเก่งภาวนาดีทั้งๆที่เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพนะคนบ้านอยู่วัดโสเภณีเกิดในกรุงเทพ เรียนหนังสือในกรุงเทพจบรัฐศาสตร์จุฬานะรุ่นหนึ่งเลยท่านเกิดในกรุงเทพนะโตในกรุงเทพเรียนหนังสือในกรุงเทพทำงานในกรุงเทพบวชอยู่ในกรุงเทพไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยออกอย่างวัดเลยนะภาวนาภาวนาจนกระทั่งอัศจรรย์นะครูบาอาจารย์ชมเลยท่านเป็นตัวอย่างที่ดีนะตัวอย่างที่ดี ภาวนานะอยู่ที่ไหนก็ได้ไมไม่จําเป็นว่าท่านต้องไปเดินป่าพวกเราก็เหมือนกันนะเราอยู่ในเมืองเติบโตในเมืองเรียนอยู่ในเมืองทำมาหากินอยู่ในเมืองนะบ้านเราก็อยู่ในเมืองตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้าเรียนทําได้เหมือนกันเลภาวนาไปนิพพานไม่ได้อยู่ในป่าเนี่นิพพานไม่ได้อยู่บนภูเขาไม่ได้อยู่ในถ้ำให้คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไป สิ่งที่กว้างนิพพานไว้อันแรกคือกิเลสกิเลสเกิดที่จิตใจนี่แหละคอมีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันไปะความปรุงแต่งเกิดที่ไหนความปรุงแต่งก็เกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันไปความสําคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนเกิดที่ไหนก็เกิดที่จิตใจนี่แหละจิตเป็นคนสําคัญมั่นหมายคอยฝึกรู้ทันจิตใจไปมันก็หมดความสมมาําสคัญมั่นหมายไปรู้ว่าสําคัญมั่นหมายเมื่อไหร่ทุกเมื่อ น, นั้นนะ ความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตใจความทุกข์ทางกายห้ามไม่ได้พระอราหันต์ก็ทุกข์นะก็ต้องรับวิบากมีขันธ์มีร่างกายแบบมนุษย์แนละ้วก็ต้องทุกข์แบบมนุษย์แต่จิตใจของท่านพ้นความเป็นมนุษย์ไปดัะนั้นจิตใจพ้นทุกข์ได้ถ้าเราภาวนาเนี่ยวันหนึ่งจิตใจเราพ้นทุกข์ร่างกายทุกข์แต่จิตใจไม่ทุกข์จิตใจไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ยึดถืออะไรนี่เป็นประโยชน์มากมายนะที่เราจะได้รับ ถ้าเราภาวนาไปให้เต็มชั้นเต็มภูมิเนี่ยเราจะมีความสุขที่ส่วนความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขปางตายเรื่องนี้ความสุขปางตายจริงๆนะเวลาใจกับธรรมะมันเข้าสัมผัสกันันมีความสุขมหาศาลจนเหมือนร่างกายจิตใจมนุษย์เนี่ยจะรองรับความสุขชนิดนี้ไม่ไหวสุขมากไม่ใช่ว่าทุกข์มากเราตายนะกลายเป็นสุขมากก็ตายได้เหมือนกัน พยามิลินนะเคยไปถามพระนาคขเษนว่าพระคุณเจ้าจริงหรือที่บุคคลเป็นพระอราหันต์แล้วไม่ได้บวชนะจะตายในวันนั้นท่านบอกจริงพยามิลินก็ซัดเลยแสดงว่าอารหันตกรรมมักเนี่ยเหมือนสาราอาวุธเหมือนยาพิษใช่ไหมไม่ใช่ของดีเลยโดนเข้าไปแล้วตายขาดที่เลยพระนักขเษนบอกไม่ใช่มันดีเกินไป ดีเกินกว่าที่ธาตุขันของมนุษ ย, นย์โดยเฉพาะของฆราวาสรับไม่ไหวฆราวาสมันจมอยู่กับความทุกข์มาตลอดนะไปสัมผัสความสุขขนาดนี้ทนไม่ไหวชอกตาสุขมากไปแล้วมีความสุขอันยิ่งเลยนะแต่ว่ามันจะสุขแบบรุนแรงอย่อยางเงี้ยสักปีกว่าๆสองปีหลังจากนั้นจิตใจจะเข้าไปสู่ความสมดุลอีกชนิดหนึ่งสงบสุข ไม่ให้สุขรุนแรงนะนี่หลวงปู่สุวัสด์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกตอนมันแจ้งใหม่ๆนะ่ท่านมีความสุขอยู่ปีกว่าๆนะหลังจากนั้นเราก็เป็นอย่างนี้แหละท่านขนาดที่ท่านบอกว่าท่านธรรมดาธรรมดาละจิตเข้ามาสู่อุเบกขาก็ยังมีความสุขมหาศาลเลยนี่ภาวนานะภาวนาแล้วก็มีความสุขมากมายค่อยฝึกหนะ้าได้รับประโยชน์ ตั้งแต่ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ประโยชน์ในอนาคตตอนแก่ตอนเฒ่าประโยชน์อันยิ่งคือได้มักผลนิพพานได้รับความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยใครเป็นความสุขที่เป็นอิสระจริงๆนะพระอราหันต์นั่นคือคนที่มีอิสระภาพคนทั้งหลายอยากจะมีอิสระภาพแต่ตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆตลอดเวลาไม่มีอิสระหรอก มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่มีศรัทธาพเพราะใจไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเงินประโยชน์ที่เราจะได้รับจากศาสนาพุทธนี่มหาศาลเลยเป็นบุญแล้วล่ะที่เราได้เกิดมาในแผ่นดินนี้เป็นบุญแล้วที่เราสนใจธรรมะเป็นบุญแล้วที่ได้ฟังธรรมเหลืออย่างเดียวจะมีหรือไม่มียังไม่แน่เป็นบุญแล้วที่ได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรมรมเหลืออยูอันเดียวนะพวกเราได้ฟังธรรมละ เหลือแต่ว่าเราจะต้องเอาไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมถ้าเราปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนะเราจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าถึงสั่งพระสาวกทั้งหลายเวลาจะออกไปเผยแพร่ธรรมะท่านบอกให้เธอจาริกไปนะไปประกาศธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดให้ไปประกาศธรรมะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจํานวนมากยัเรียนธรรมะแล้วได้ประโยชน์ได้ความสุข ประโยชน์นะทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตนะประโยชน์อันยิ่งมีความสุขก็มีเป็นลําดับลําดับไปพแล้วมีสติก็มีความสุขขึ้นมาแล้วใจตั้งมั่นขึ้นมาก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกเกิดปัญญารู้เห็นความเป็นจริงของรูปนามกายใจยิ่งมีความสุขมากขึ้นอีกเกิดวิมุตินะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมีความสุขที่สุดเลยนะ สิ่งที่เราได้นะคือได้ประโยชน์ได้รับความสุขประโยชน์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมชีวิตในทางโลกก็จะดีขึ้นอย่างเด็กๆหัดภาวนานี่ยก็เรียนหนังสือเก่งขึ้นเพระจิตใจมันสงบจิตใจมันตั้งมัน่นรู้หน้าที่ผู้ใหญ่ทำมาหากินก็ทำได้ดีขึ้นนะกระทั่งจะเล่นหุ้นบอกให้กระทั่งจะเล่นหุ้นก็เล่นได้ดีขึ้นเพราะไม่ได้เล่นด้วยโลภะและโทสะนะถามว่าเราเล่นด้วยอะไรด้วยโทโลภะเล็กๆ ยังไม่ถึงไม่มีเลยนะแต่มันเล็กหน่อยเพอาํทำไปด้วยกิเลสที่บางๆนะอคติมันน้อยการตัดสินใจนี่มันมันถูกต้องมั่นคงมากขึ้นกระทั่งการใช้ชีวิตธรรมดานะใช้ชีวิตครอบครัวใช้ชีวิตอะไรเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นเรานันหน้าที่ของเราก็คือศึกษาธรรมะสี่วันวันนี้วันที่หนึ่งเห็นไหมจะมาสี่วันหรือเปล่า ต่อไปสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนนะก็คือทำอยังไงการปฏิบัติธรรมนะ้จะทำยังไงการปฏิบัติธรรมมีสองส่วนนะส่วนของสมถกรรมฐานทำไปเพื่อความสงบของจิตใจส่วนของวิปัสสนากรรมฐานทำไปเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจมีสองส่วนสมถกรรมฐานนั้นหลักของมันง่ายๆให้รู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องด้วยจิตใจที่สบายสบาย แค่เองทําได้ไหมเช่นจะพุโทโธนะก็พุโทโธไปต่อเนื่องพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธไปด้วยใจสบายๆไม่ใช่พุโทโธแล้วก็บังคับใจให้สงบบังคับใจใจไม่สบายใจจะไม่สงบคนไหนชอบลมหายใจก็หายใจไปหายใจไปด้วยความรู้สึกสบายๆหายใจออกหายใจเข้าไปอย่างสบายผ่อนคลายนะัใจก็จะสงบคนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปอย่างสบายใจใจก็สงบนี่หลักของสมถะ สนหลักของวิปัสสนานะก็จะมีสติกับสมาธิมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ลืมกายลืมใจมีใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนี่มีสมาธิก็จะเกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจมันทำงานไม่ใช่ตัวเราสรุปง่ายๆวิปัสสนาก็คือการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง หลักของมปัสนาคือนี่มีสติรู้กายรู้ใจต่างความเป็นจริงหลักของสมถะมีสติรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องนะรู้อย่างสบายๆนี่จุดสําคัญอยู่ที่รู้ด้วยความสุขความสบายเพราะความสุขจะทําให้จิตสงบจิตที่ไม่มีความสุขจะไม่สงบนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่รู้อารมณ์ไปยังมีความสุขไม่ใช่รู้ไปแล้วเค้นใจไปด้วยก็ไม่สงบ วิปัสสนานั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นธาตุเป็นขันเป็นของโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่คความจริงของกายของใจการจะมีสติรู้ความจริงของกายของใ จ, ใ จ, จ, งใงใจได้นะ ก็มีเงื่อนไขอันแรกต้องมีสติก่อนไม่มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดนะคนรุ่นเราเนี่เพี้ยนละไปแปลสติว่ากําหนดกําหนดแปลว่ากดแปลว่าข่มใช้ไม่ได้นะให้มีสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตามที่มันมีอยู่พูดง่ายๆอย่าลืมกายอย่าลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่ามีสติ รู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆพวกเราไม่ค่อยรู้สึกนะวันนึงเราลืมกายลืมใจแทบทั้งวันนึกออกไหมใจลอยไปทั้งวันนะวันวั น, วนคิดนูน่ค น, นคิดนี่ไปได้เรามีกายเราก็ลืมไปเรามีใจเราก็ลืมไปนี่เรียกว่าขาดสตินะแล้วทําไงเราจะรู้ความจริงของกายของใจได้มีสติรู้กายรู้ใจอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวมันจะไปเพียงกายเพียงใจต้องมีสัมมาสมาธิด้วยมีใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นจิตใจมันโลภโกรธหลงนะความโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาใจเป็นแค่คนรู้คนดูรู้เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแสงนี่เรียกว่ามีสัมมาสมาธิในตำราพิธามึงบอกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจพูดคาว่าสัมมาสมาธิเข้าใจยากพูดภาษาไทยง่ายๆก็แล้วกันนะว่า ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บวงเล็บก็คือตัวสมมมาสมาธิด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพูดคาว่าสัมมาสมาธิฟังแล้วงงจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตของเราไหลตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจไหลไปคิดนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่ น, นถ้าอยากมีปัญญานะให้มีสติรู้กายรู้ใจ ด้จิตที่ตั้งมัน่นจิตไม่ไหลไปจิตเป็นแค่คนรู้คนดูตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นกลางด้วยหลวงพ่อเคยเทียบเหมือนคนดูฟุตบอลใช่ไหมคนดูฟุตบอลดูอยู่บนอัธจันทร์แยกออกมานักฟุตบอลอยู่โน่นคนดูอยู่นี่คล้ายๆมันตั้งมั่นอยู่แต่คนดูฟุตบอลไม่เป็นกลางเรืนะ่องออกไหมมันจะเชี่ยวข้างใดข้างหนึ่งนี่แหละเลยไม่ได้มรรคผลนิพพานา อ, นะอย่างใครก็าหรอกนะงั้นเราดูนะนักฟุตบอลมีอยู่สองข่ายคือรูปกับน้ำ กายกับใจนั่นเองมันทำงานให้เราดูตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็รู้กายเดี๋ยวเราก็รู้ใจรู้อยู่ห่างๆนะเห็นกายเห็นใจทางานเราดูอย่างสบายๆดูแบบคนวงนอกไม่เรียกว่าดูแบบตั้งมัน่นดูแบบคนวงนอกดูด้วยความเป็นกลางดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเขาดูด้วยใจเป็นธรรมนี่จะเห็นความจริงแทรกแซงเขาไม่เห็นความจริง สรุปก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บจะรู้ตามความเป็นจริงได้ก็ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตั้งมั่นละอยู่บนอัจฉริย์จัตั้งมั่นได้แล้แต่ไม่เป็นกลางใช้ไม่ได้นักดูบอลส่วนนักฟุตบอลนั้นลคลุกฝุ่นอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอือรูปน้าก็ทำงานไปใจเราเป็นแค่คนดูดูไปอย่างเป็นกลางฝึกไปอย่างนี้นะนี่หลักของมันมีเท่านี้เองนอกนั้นจะเป็นเทคนิค รายละเอียดนละอ้าวเชิญไปทานข้าว